พระธรรมเทศนาจาด้วยเเรืองดักเขาคำพูกติหกเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทำฮกปรย์กนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไา้นะโมตัสสะภากาวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัสาวิพาตาญรัติญาติสาทธวดุราสปุริสาตั้งหลายตั้งยิ่งใจม่วนหมู่อันนั่งอยู่ใหญ่ใหญ่สัตวาใสผ่องแผวเจือกุนแก้วทั้งสามจุงแปลงใจงามเบาเศร้าฟังเรื่องเก่ามนนาน มีตั้งสารและเปลือก่อยใสเลือกเอาไปเราจะไขบอกเราตามบาทเก้าคาถาศรัทธาจูผู้ได้ผมรูแนวนาวบัดนี้และนะตัดจาวิพาตญรัติญญากันคืนนั้นและรุ่งสายฟ้าปุงเดืองไราตาวันใส่แจ้งส่องหันไข่ห้องจุมปู หนอสปัญโยหยอดยาวตกอยู่ดาวดอนายเจือกมัดหายก้อยกาดหอยเจือกบาดหายซอยบ่อเหลือหอยบาดไม่เจ้ากุดใดสับปันดังละบฟันแล้วตื่นสติจื่นจำไมายว่าโยทาลายน้อยใหญ่มัดกู้ใส่แฝงไหลกับใส่ใจเจ้าปอ และนางน่อมัาดาแต่วันว้าเมื่อเจ้าสันไดเล่าตนกู้ไหลมาจูบป้าปาดอยู่ตีหาดดอนไยสองบุญภัยพ่อแม่ตกอยู่แก่แดนใดหรือตายไปมวยมังกังแม่กวางสากรนอผู้ทอนยศใหญ่ขะนิ่งไขสัญญา ก็เววาปันมบร้องรำไห้เรรนเอกาตนเปลวว่างอยู่ตากว้างดอน้ายก็มีหันแลยนะอาธาในกาละนั้นยังมีผ่านป่าคนหนึ่งเหล่าอายุเขามัดชีดมาไว้มันดักใสใส่ข้างไวร้ริมฟังกงกา กันสุริยาดารุงรัศมีปุ่งเรื่องไรมันเร็วไวเรีบเผาออกจาก้าวเฮือนตนเดินเตียวห่นบ่อจอดต่อเตารอดกงเก้ า, อาอยัางป่าใหญ่น้อยมีสำถอยเดือลาหลนำมาไขาเลี้ยงใสบ่อขาดใดวันใด ส่วนว่นไหนวันนั้นสอดผ่านป่าโหดอาทรรมได้ป่านำหน่อยใหญ่ปอเต็มไข่ทงปารีบอกมาไว้วาดกันถึงหาดดอนายสองตาภายเล่งพอหันเจ้านอบุญมีพงโซกีโศกไม่ร้องรำไห้เร่รนบอมีคนอยู่เฝ้าผ่านบาปเศร้าสังกา ว่าสันได้จาเด็กอ่อนมาอยู่บ่นแดนไกลบ่มีไผอยู่เฝ้าเป็นลูกเต่าคนใดหรือเป็นจังไรโตดใหญ่ต้านมัดใสแลอยแม่หายซอยผักนาปอละกว่าหายหนหรือว่าคนบาปใบลังลูกไวหายหนีหรือว่าผีน้ำกวางทะดีส้างแถลงเป็น เรื่อว่าพี่ยักเยินภายเพศรทะาแหลงเป็ดปลอมมาได้พรานป่าบาบเศร้าไข้หูเก่าหันแสงเยีาใจแข็งหาเท้าเข้าไปกล่าวใครจาว่าดูราเด็กขาอ่อนน้อยนาจีนจ้อยบัวบานบึงอยู่สถานแห่งห้องคงเขตต้องได้จา้า สังและมา อ, อยู่นี่จุงกเกาจีา้ไขปันฟุงปงปันพ่อแม่มีอยู่แก่ด้านใดจุงจะไขบอกเกาวฮือหูข่าตามมี หน่อมูดียอดซอยก็ตอบ้อยผ่านป่าใครขีญยบอกเล่าตั้งแต่เก่าสุดปายตามใจหมายกึดใดเฮือเสียงไขว่จูอันอันก็มีหันและนะอาสาวาจาัดนังสุดว่าส่วนไอ้ผ่านป่าผู้เท่าฟังคำเจ้าใครจะมีสิเนหาจ้องหอยหักเจ้าหน่อน้อยจอมขวัญ เหตตัวมันนั้นเหล่าบม่มีลูกเตา่าใจยิ่งมันขาดิ่งกึดขวาดไข่ได้เจ้าน้อยนาดเมื่อเฮือนไว้เป็นเหมือนลูกลาเท่าถอยจ้าผ่านป่าจริงไข่จ้าก้าวถอยด้วยกรรมจืนจ้อยวนใ ย, ยว่าดูระสายใจเฮ้ยหน่อไทยเจ้าอย่าได้เครื่องขี เพือนปู่มีปายนาเจ้าอย่าเจ้ามาไว้จุงจักไปกับปู่ไปจอดอยู่เกหาปู่มีป้าลายลากลูกไม่มากกลายอันของหวานมันบ่อน่อยปู่จักกอยรุมราเลี้ยงรักษาอยู่เฝ้าเหมือนลูกเตาเตรียมคิงเจ้าบุญปิ้งเหย่หน่อไทย เจ้าอย่าได้มองผ่านถึงเมื่อนานไปนานนอเจ้าฝ้ายังมีแม่เตวียังอยู่เจ้ากินกู้ใส่ใจจำเรินว้ขึ้นใหญ่เตียงจักได้หันกันเจ้าจอมขวัญเฮยอย่าจะจอมผูกกว่าบัดเดียว เจาตาเขียวน้อยนาดฟังถอยวาดกำจาแห่งผ่านป่าผู้เทาบ่กิดเล่าหันไปก่อตัวไปบ่จะรัดขุมยาล้อมคาถึงเกหาที่อยู่แห่งเทาปู่ผ่านป่ากอบีหันแลยนา ถ้าต่อปัญญ า, าแรกแต่นั่นไปไปนาะเทาถอยจ้าผ่านป่าจากไปดงนาะหอมหวยหาหยกวกก้วยปีตองหรือไปนองบวกตั้งไปนำกวางสากอนกาะปลาดอผู้ทอนอ่อนออน้อยติดจงหอยตัวยไป เจ้าจอมไตน้มนมดาวบุบนเขารอมคานย่ำหินพาแก้มแห่ตัวผ่านแก่ใจหานเคลือวอนปานนำยาตุกไม่มาดเลือใจยุงหินให้ตอมใ้เป็นตุม่มไข่กาญากันไปกงกาตะหาดแสงแดดฟาดลมจอยลวดดำม้อยกำ้าว บ่เหมือนเก่าปังหลังพอเนื้อนังหันดูดังบ่ใจโลคุณเมืองเจ้าบุนเรื่องดอไทยยังกึไขวายใจวันถึงจอมขวัญพ่อเจ้าและนังน่อเนามานดาทุกขาวข่ากึดขวาดน้ำตาหยาด้ำไหลพอยิ่งได้ลลยแลบ่เหมือนแม่สายตา พอผ่านป่ากผู้เทาบ่อเบือนป่อเจ้าหอใจเจ้ากึศใจบ่อเหือดทอนไม่เดือดขืนวันผ่านป่าหันดูลากจริงออกปากจะทำด้วยกำงามจื่เจ้าอยเจ้าดอนน้อยบ่อไข่กำเทาอาทำใบบอดก่อแจ้งสอดหันใส่มันกึศใจหลายปอกกำเก่าบอกไครจ้า ว่าเอาลูกตันมาเลี้ยงไว้บ่อหอนได้เป็นกุนปางปลายลูนเมื่อซอยจักต่ำก้อยมองผ่านกรรมโบราณมันแก่นเตียนย่อมแม่นตามกรรมเทอาทำถอยไร้กึศใจไข่ไปมาว่าเด็กขานี่เล่าแม่นลูกเจ้าหอใจตันเอาไหลนำกว้างฮือมวยมังเมื่อมอน มันบ่อร้อนมวยหมอดได้ปนรอดมาราณากูเอามาเลี้ยงไว้แม่นเต้าใหญ่ใจหานยินข่าวสารไปรอดคำเล่าสอดถึงหูเตียงเอากูไปข้าฮือความนาว่ำว้อยแม่นเอาใจน้อยอ่อนไปปล่อยบอนดองไพ ร, รือเอาไหลหลองนำฮือขาดความหายห่น จุมโมค้นเข่าหูจักเหลาอูเดืองนั้นแม่นป่อมันยังข้างบ่อมวยมัง่งมราดาเตียงจักมาตอบาย่เฮร้อนไร่ปายปดุนเจ็ดเจ็นข้ากุลเป็นขานาดเือ์ก้อยกาดมำวายเท่าพี่พายใบบอดกาดิงสอดเหย้าไป ว่ากูเข็นใจลายลากตกลำบาเก่องกาหิหามาจูมือหม อ, อกใจซื้อกินได้บ่มีลายข้างคืนตั้งแต่เดินเบือนนานส่วนกุมมันนี่ใสมีีตอดใหญ่นำนํำกวรกูํำไปว้า้ท่าวายเต้าใหญ่ห่อจันเต้าได้หันแจ้งที่มีใจกี่เจยบบาน ปัญการไล่เลียงยืนแทปันกูตั้งคุนต้นหัวใส่ซอยแบนใส่ก้อยคำแดงของกาแปงบ่หน่อยตั้งข้าคอยยิงใจตั้งหัวคอยเสื้อผ้าตนเจ้าฝ้าเตียงจักปันเป็นรางวันอันใหญ่ือกูได้นำมาความเครื่องกาลลยเล่ le, อันมีแต่เดิมตี เตียงหายนีกาดก้อยได้จื่นจ้อยเจยบ้านเท่าใจาหันแบบเศร้าคันนิ่งเหล่นานานก็มีหันแลยนะอาเทกาตีวาสังยังมีวันหนึ่งเหลากันรุงเจ้างามดีเท่ากาลีใจห ย, ยาบบอกกลัวาบาปต้วตันก็เมียมันแต่งไว้ ยังเขื่องใจเดินดงคือเข้าสัตว์พงหลายลาเข้าสุกตากินตางกันดาดางไว้แล้วก่อเก่าเสึ่งเจ้านอแก้วบุญมี ว่าจะไปดงรีป่าไม้เพื่อกซอไส้เห็ดหอนตามสันดอนห่อมห่วยหาปีกล้วยหัวมันดังตั้งวันเมื่อก่อนเจ้าน้อยอย่อนใส่ใจจุงจกไปจอมปอูไปเป็นกูเดินดงมันก่อสะบายทงอันใหญ่แบกนาไม้ปืนยาลงเกหาบ่าจ้ากออกก่อนนาลำตา เจ้าบุญขวางนอเดาเล่นไต้เต้าตัวไปก็มีหันและนะพรานปลาลายใจถอยก็ปลาเจ้านอ้อยบุญมีลัดดงรีป่าเศา้าก็ไต้เต้าเตียวไปอิดตีไหนยังจอดกันหิวหอดไม่หาย ก็ผันผายไปนาตาตั้งป่าดงเขียวมันเคยเตียวแต่ไทยหูแจ้งไขดงดานแสงจ่าวันอ่อนอ้อยจุ๊เจ้าหนอน้อยนานายามตาวันดียวตกต่ำดอกน้อยพั่หาก้อนเทาผมปอนสกกก่อแสงบอกมูสาวาหลงดงดาเถือนทอง บอกหัวจองขึ้นหลังเท้าตาปังใบบอดกอดจวนยอดบุญขวางจอดนอนกลางป่าเศร้ากันรุงเจ้าย่ำง่ายก็ผันภายเตียวต่อ ข้ามหินจอพราจันลัดเขือวันคุ้มยาแก่ดันกว่าเตี่ยวไฟค้ามตีหนนอนหันแจงแล้วดันดงตันได้เจ็ดวันคบไข่จิงรอดเมืองใหญ่ปาราณสี เจ้าบุญมีหลงป่าบอูว่าเมืองใดต้วผ่านไปจะใจต่อเต้าไก่หอคำนอคุณทำและพอว่าเหมือนภ า, าสัตร์ป่อราจาหันเสนามวนหมูมาแวดอยู่เล็งดูเจ้าบุญจูนอไทยก็ขวาดใดสัญญาจริงเววาร้องไห้เล่นซาใส่ไปปัน ห่านเล่งหันตัวไหลยับแขนใดนำมาแลอกไก่ก้าไวไหววาดขึ้นผ่าสาสตรอจันย่อมือพันใส่เก้าไว้วส่งเจ้าราชาไรขีญ้าน้อมกก่าวฮตันเต้าตามมีกอมีหันและนา ตามัดทั้งประกาศเนสนโตศรัทธาศรัทธาสัพพัญญุยอดซอยหันบัดทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสะนาวัฒคโคเฮมะกุมมาโรดังนี้เป็นต้นพิข้าเวดูราพิกคุ่ทรงตนทรงสินใสบ่เศร้า หวังไขเข้าเนระพานอันว่านอปูที่ยานยอดซอยอันผ่านถอยจังไรจุลมไปไ ต, ต่เต้าลัดป่าเศร้าดองตันได้สามวันจึงรอดเมืองแกวหยอดปาราณสีอันเป็นปุรีป่อเจ้าแต่เมืออนน่อเขายำอ่อนหนอผูทอนบ่หูก็เข้าสู่ภายใน ด้วยผ่านภัยปู่เท่าตาแห่งเจ้ามัวฟังใจหุนขวางปันกว้างย้อนลงป่ากว้างดงดำหันห่อคำภาษาศาสางามวาว่าต่อตายังสังกาข้าค่อยว่าเหมือนภาษาซอยเจียงคานแห่งพระภูบานป่อเจ้าอันอยู่เก่าเหมือนมาหันโยธากายหยาบเกยขานาบตีตน หนอตสะปนติไว no, so bon, no, ้จริงขวาดใดบัดเดี้วจริงรีเปยวเล่นกว่าเอาตังหน้าเป็นหมายย้อนกลัวตายมวยมั่งบ่อใดข้างนันไปกันเจ้าจอมใจนอลาออกเล่นกว่าพระมีพานกาลีถอยไร่ก่อแล่นไล่ตัวไฟมันเดียวไวหยับใดหลากเจ้านอไทยมาปัน เจ้าจำขันนอเต้าดินดะดาวกวัวตายร้องไหวๆไวจะใจเทาถอยไรบอกคุณนาเมื่นสองตาเข้าใส่แป้นมือใส่สันหลังดะปากดังกุกกะกรีบจากลากมาไห้แล้วขึ้นไปบอกจ้าไหวเจ้าฟ้าราชาใครขีญาบอกเราตั้งแต่เก้าถึงปลาย คือตต้าผีพายต้นไม่หัวแจ้งไขจูอันอันก็ะวิหันและนะโสราจาันวาพญาต้นไม่หันลานนอไทยขึ้นมาบ่มาราณนาวยมากกลางแม่ควางสะกร เอาอาวอนไม่เอาว่าแม่นพี่เจ้าราจาบอ่หม้อราณนามมวยหมอดได้ปนรอตั้งตายเตียงคงควายนนองนาวเอาตัานเต้าแดนไก่ นำโยธาในเรื่องราบมารบภาพแต่เมืองกูเตียงเครื่องมาดไม่อยู่บ่ได้นานไปกันคึดใจเสียงขาดตาเต้าเฮาหาดปลาลาก็เจียนจาตั้นเหล่าซึ่งพ่านเทาจังไรวาดูระเทาแดนไก่ต่างนาตันนำลานกำพากูมาถึงผังกภาภาษาทเอกูราดเล่งหัน กูจักปั่นเสื้อผ้าตั้งโมฆานิงใจเงินค้ำไายบ่อน้อยตั้งข่ยซ้อยสังวานอลังการลายแหล่กูจักแผ่ยอปั่นเป็นรางวัลบากเต้าหื้อแก่เท่าแดนไกเต้าว่าบึงมีใจกายาบคมขานาปลานกู เอามาชูต่อหน้ายังดาวาติลังจาเสียงดังหาเท้าแม่นอยู่ดาวเทหาฮะไกสายตากูไทยมึงเตียงดาใหญ่ตีาลส่วนหลานใจนี่เล่าก็เป็นลูกเจ้าราช้าบ่ใจบุตตาข้าคอยเชื่อภัยน้อยสามานมึงใจหันอยากจ้าคำลูกเจ้าฝ่าห่อใจ บ่มีภัยป่องขาดอนุญาตวางปันใจชักกันกรรมเส้าตีลูกเจ้าปุรีโตษมึงมีบ่น้อยกูบ่ปล่อยมึงไปตันเต้าไข่กล่าวแล้วก็เรียกพวกแกโ่โยธาฮือเข้ามาบ่จ้านำพาไปฆ่าบัดเดียวพวกหน่อยเดียวตันบาดมาย้ายหยาดซับปัน ยับเอามันพลานเทาใจกำเศร้าปาลาลงพังการีีพาออกจากดาวเวียงใจเทาจังไรใบบอดกัวมวยหมดเมื่อมอน้อมก่อนน้อมไว้จะใจรำกำผานขอคนหานพวกน้อยได้วางปล่อยยังตนจุมหมู่คนห้าวหาดก็บ่อาจวางลา เหตุอาทยาเต้าไทยหาแต่งใจครับจำจริงดีบ้ำไปคาตามเจ้าฟ้าปงปันกันตัวมันก้อยกาดชีวิตขาดเสียตนบาปมาโดนจองก้องลงสู่ห้องเอาเวจีก่อบีหันแหลนา สุราอันว่าพญานันตราชาัาสาดห่อใจหันลานใส่ใจนอไทยปิกปอกใดขึ้นมาใจเวว่าไม่มาดคันิ้งขวาดไปลายว่าลานใจน่อน้อยบอการก้อยมรณากันใหญ่มาวันณาเตจะกกาไปลุน จากหูกุนกูราตก็บ่าอาจจากมีเตียงราวีคำขาดเฮกูความนาบำบายเสยนาหลายกะหยาบมันเตียงภาพแต่งฟันเฮดับขันเสียงไข่บ่อเวนไหวขนได้เจ้าห่อใจยดใหญ่ขานิ่งไข่ลหลอัน ว่ากุวนนำมันไปขาฮือความนาเรียวไว้หรือปล่อยดงไผ่ปากว้ า, วางฮือมวยมัง่งหายหุนหรือปล่อยวังบนตีเกา่าซ้ำลืมเล่าสองตีเรือกวรดีเลี้ยงไว้ฮือมันใหญ่ตีขาถึงวันมาไปนากันนังงนอลาเตวีได้ใส่ฟูรีนอเนื้อ ไว้สืบเชื่อเป็นใจก้อยข้ามันตายมวยมั่งบองข้างไปนานแม่นานนงดงคานยอดซอยใดลูกน้อยยิ่งเดียวก็สืบเกี่ยวจากจอ่องหฮือรวมห้องราชธิดาสือบองศาจัดไว้ฮืออยู่ใดไปนานกันพระผู้บาลเกิดแล้วก็เรียกพวกแกวเตรียมใจ เขามาไว้บ่จ้าเอาลานกำผ้าเด็กขาไปรุมราเลี้ยงไว้ในตีไกหอคำก็มีหันแลยนาตาตาในกาละนันส่คุณยศใหญ่ปาลาละหขี้ยาเงินเก้าก่อไปไว้เจ้าเคยเมืองว่าคาแด่เต้าบุญเรืองยศใหญ่ ต่อแต่งใจเสนาเอาลานมาเลี้ยงไว้ในตีไก่ห่อใจดังเอาไฟมาก่อเหือลูกต่อล้ำลายอย่าคืดหม่ว่าโน้อจักต่ำก้อยเมื่อ น, นานกรรมโบราณแต่ก่อนเจนปู่มลสอนไครว่าทานไฟงูงเห่าพริกและลูกเจ้าผู้บาน สี่ภากานี่ัสจุงเกิดไข่คนิงในกันใส่ใจว่าน้อยตุกจังหอยตัวมาโบราณจาดังนี้กวรสั้นทีน่คนิงเลียวไฟหน่อยเดียวเปี่ยววอดอย่าได้ตอดวางใจว่าบ่อเป็นไฟลูกใหญ่ลำบูไมเกหางูนานาปิดหายอันต่องภายไปหัน แม่นตัวมันอ่อนน้อยเต่านิ้วก้อยปลายมืออย่าถือตื้อว่าอ่อนมันบ่ห่อนเป็นสั่งกันมันปังชกตอดอาจมวยหมดบําไวยพิกบ่ลายหน่วยน้อยเต่าปลายก้อยเด็กขาดแบน拉萨พามาดว่าบ่อาจเพชรสั่งเหือจากปังหยัดน้อยเหตุพิกน้อยเพชรใน ลูกเจ้าห่อใจหยดยาวตนภาพดาวปาราเมนเด็คคาอ่อนน้อยอย่าได้ปล่อยว่างใจอาจมีภัยห้อนหายติดแปดไปายปลายลูนขุนตารุนห้าหาจ่าโอกาสไปลายวาคาแด่เต้าบุญภัยหยดใหญ่กำแต่ไทยมีมา ว่าเศษโรคกาพญาเศษนิบาทเงินคำเศษเวนกรรมอยาบจาเศษสกกาสัตวุภัยอินดูข้างว้เตียนย่อมได้เครื่องกามหาราชเจ้ า, ชาเอาลูกเต่าสัตวูมากำจูเลี้ยงไว้เืออยู่ไกลหอใจเหมือนนันไปไปนาทุกโศกาจักมี คุณกาลิใจถอยไข่เกาถอยลายภาการก็มีหั่นแลยนะสุราชาอันว่าพญานันตราชใจหาหา จ, จังไรกานิ่งในคำเจ้าว่ากมคุณเท่าไข่ปัน กูเล็งหันเป็นแก่นอามีแม่นตามกำกวนือน้ำละน้อยไปละปล่อยดงนาหรือไหลกงกาตากวางือมวยมั่งเดียวปันกันตัวมันใหญ่กาเตียงจะคาตนกูอันเป็นสถูเจนปอบ่กวนพอเหมือนไปกวนเดียวไวคำคาเฮความนาเป็นผี อย่าฮือมีเหลือเศษจักเป็นเหตุประไว้เต้าผีพายนันตราดจำกึดขวาดขนิิงในว่ากวรรอไปไปนาฮือนังนอลาเตวีภาสุัสสรีนอไทายดังกึดไว้เดิมมาคือแม่นใดบุตตาหนเนาวงามบ่เศร้าเจียงคาน ก้อยข้าลานกำผ้าฮือความนาเมื่อม้อนมันได้ายผู้ทอนหน่อเนื้องามอาเครื่อเป็นยิงจักฮือปิงร่วมคางช่วยสืบสร้างเบียงใจเต้าจังไรบาปเศร้าทุกคำเจ้าใจวันวันสืบวันจะใจแสงแต่งใจยังลานฮือกระตำการฮึกหยาบ บ่กว่าบาปจนจู้เหือเจ็ดถ่ปัดกว่าไข่ผาสาดห่อคำแล้วครับจำตักน้ำเงี้เสียงซ้ำไหลอันกันเจ้าจอมฝันนอแก้วเงี้บ่แล้วตั้นใจเต้าจังไรห้าหาดเอาแสฟาดสันลังดาปะฝังแจงป่อยด้วยกำถอยนานา นอพุท ธ, ธติไวตุกบาดไหมเหลือใจน้ำตาไหลบ่เหือทอนใบเดือดขึืนวันกึนใจพันจะใจขอหฮือขึ้นใหญ่เรองไวจักดีไปซอสอดหาเจ้ายอดปีตาเอาขึืนมาเป็นเต้าภาพไข่าดาวเวียงใจ เอาคนจังไรอยาบ้าไปลาบซาฟันแตงเจ้าจอมแป้งน้อยนาคานิงขวาตั้งวันก็มีหันแลยนาตาต่อปัทธายาแรกแต่นั้นไปไปนาบอนเดินจ้าหึงนา น, นางนองคานยอดซอยงามจื่นจ้อยจื่อสุนทารี อากมเหสียศใหญ่ก็พาสุดใดบุตรตามีลังคานาพาเสดงามลำเลิดเป้่งแปลงญาติแฝงแวดเฝ้าตั้งหนุ่มเทาใหญ่ยเจ้าห่อใจตนป้อมีใจหมอยินดีว่าบุญกูบิแต่เหล่าใดลูกเจ้าเป็นาย เือสมหมายไ ฟ, ยฟยอ้างบอ่อวิทยวังไก่กาโซราชันว่าพญานันตาราดใจหาวหาดป่านพีได้ใสปุรีดอเนื้อสมไฟเอือมโนได้ก่อเรียวไว้แต่งใจเอเสนใหญ่ใจหานน้ำเอาหลานดอโ น, นอยไปละปล่อยดงนา ฮอหายตาภักนาอย่าหฮือกว่าขึ้นหลังคุณตาปังถอยไรซ้ำแต่งใจนายพานอันใจหันกำเ้า น, ำ, านำเอาเจ้าใส่ใจไปดงไพ่ป่าไม้ละปล่อยไว้ตามกำก็มีฮันแลยนะ ธรรมทัามาทางประกาศเซนโตสัทธาสัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบาทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาวาทะโคเนสะโตดังนี้เป็นตน เอกเ้าเวดุราภิกุสรงตนทารุงสิ้นใสบ่อเศร้าลูกสิทธิเก้าสรพัญญูปังนั่นกูบาดไม่ตุกอยากไรเหลือลายปนตั้งตายมวยมางกางแม่กางกงกาปอกขึ้นมาตี่เก่าซ้ำตุกเล่าสองตีวิบากมีบอกขาด มาต้องปาดสันดานส่วนได้ผ่านบาปใบหันแต่ได้เงินคำบอกกว่าคำบาปไรจะตอบใายต่อจนมันเร ร, นเร่นรีภาวปาหน่อเต้าบุญมีออกปุรีแต่ต้องไปสู่ห้องดงภยัย แสงจากให้เกาถอยมีบ่อน้อยลายพากการนอปโปที่ยานเจ่องจันก็บุญดันต้วยไปก็มีวันนั้นแลยนะเนีที่ตังขีญาสังวันนานาวิเศษจา ห, อหนนาา้องเหตุนาเข่าคำผูกทวนหกเบื่อเจ้าต๊กกลางป่า จักได้กว่าขึ้นมารือมารณามวยมังกังปากวางดงดอนหรือเตี่ยวจอนสอสอได้ไปรอดแดนได แม่นมีใจใคขหูยาเกาอูจากนั้นรีบด่ากันผูกไปจักหูใดตามมีไขวาตีเตาอีเตานิวาดวางลงกอบังกมสมริจเสร็จแล้วเตานิ้ก่อนแล